สองแผน่นสองใบคือใบหนึ่งมันโฉนดของเรามันคลองรำรางมันมันเข้ามากลางวัดเรื่องมุมวัดจะพานเนี่ยนะลำรางเนะี่ยลรางนะเนี่ยแปลว่าสาธารณเราจะทำเป็ น, นโฉนดของเราไม่ได้ันี่เป็นรำรางนะคือสาธารณเราต้องแยกออกเพราะฉะนั้นจึงปักหมดุดดูริมฝั่งคนละข้างเพราะฉะนั้น วัดของเราเนี่แปลว่าแตกลำรางอยู่ตรงกลางลำรางอยู่ในนส่วนหนึ่งเพราะนั้นวัดของเราเนี่ยทั้งหมดที่เราวัดได้แต่ก่อนนั่นนะพไร่แต่พอมาวัดจริงโฉนอดออกจริงเนี่ยแปลว่าพ2 6 9ไร่3 1 0ราตารางวาถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะอันนี้ก็อยู่ในโฉนดนั่นนะ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 ถ้าคิดแบบอีกแบบหนึ่งนะ่โคนหนึ่งได้คนนูนึงเสียอันไหนคิดแบบนั้นคิดแบบโง่โงคิดแบบสั่นๆคิดแบบม้าลำปางคิดแบบม้าอินเดียเอาอะไรปกป้องตาของตัวเองนะมองไม่เห็นทางไกลเออแล้คิดอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องคิดไกลๆวัดวาศาสานาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของสาธารณแก่ชุมชนทั่วไปหลวงพ่อเองไม่เคยปิดประตูเก็บเงินผ่านประตูไม่เคยเก็บ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 พวกเราคงจะเก่งภาษามากกว่านี้อันนี้พวกเราไมา่เก่งภาษาเพราะพวกเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของเขาเห็นไหมพมา่าเขาเก่งได้เกินภาษาอังกฤ ษ, กษเพราะว่าปร ะ, ปร ะ, ปร ะ, ประเทศอังกฤษามาสอนให้เขาเมืองไทยก็เลยโง่ภ า, าษาอังกฤษในแย่สู้เขาไม่ได้น่าเสียดายจริงๆเจยบเมืองเราไม่ได้เป็นขี้ข่าของเขาคนในเมืองไทยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะมันคนมีหลายระดับ แต่หลวงพ่ออิโนเอยใหม่แล้วภาคภูมิใจยอย่างมากเลยประเทศไทยเป็นอิสระที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําเฉลียวฉลาดขนาดนี้หาได้ยากประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นขี้ข่า<ะ>ตุปัตตุเปท๊ทุกวันทุกวันเเนี่ยนะเป็นขี้ข่าเขามาก่อนประเทศของไทยของเรานะ<ะ>ไม่เป็นขี้ข่าของใคร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 นานๆพวกเราจะได้ยินหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรนี่อันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดเหมือนกันถ้าใช้หลักธรรมก็นี่หละเพราะพุทธศาสนาเป็นมาได้เพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศชาติ เ, าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมคณะสัทธายาตโยมทุกๆท่านในเกิดมาพื้นแผ่นดินไทย นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากปฏิรูปรเทสวาโซจะอยู่ในประเทศที่เหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีธรรมชาติค่าจนเกินไปถึงจะพองกันนิดๆหน่อยๆอย่างที่น้ำท่วมเมื่อกี้เนี่ยเพราะอะไรก็เมืองไทยของเรากรมเึงงก็ให้น้ำไปถึงคัดน้ำปันไม่ให้ น, น้ําไปลง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 เออในโลกมันมีนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนั่นแหละคือแปลว่าบุพกรรมไม่ดีแง่ก้าวการกระทำของเราไม่ดีเราจะไปเกิดอย่างนั้นแต่นี่พวกเราคงจะมีกรรมดีปุพเพจะกรตะบุญยตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอัตตะสมาปณิธิเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามาเกิด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 พวกเราทุกๆกท่านนี่ตีได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นําไปคิดการคลองไตทองเลยทัพน์ในครั้งพุทธกาลมีโยมคนหนึ่งเขาอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญมากเอ๋จะทํายังไงจะได้บุญมากบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาเคารพเชื่อถือบูชาพระพุทธเจ้ากระบูธาพระสงฆ์ก็เห็นพระสงฆ์กระบูชาพระสงฆ์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 ที่ไหนๆเขายอมรับหรือเปล่าในเขตสีมาของเราที่เราปกครองเนี่ยจากนั้นพระเจ้าไป็นหนึ่งก็ปลอมตัวก็ให้อามาตคนหนึ่งคือเป็นโปรหิตเน่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนพระราชาคนหนึ่งคือโปรหิตก็มีหลายคนอย่างดางองค์ขมนมรีทุกวั น, นมีหลายคนอย่างนั้นมีหน้าที่คนละตำแหน่งอันนี้ก็ท่านเขาเอาองค์ข้ามณฑีโปรหิตร์อำมาตย์จะว่านั้นก็ใช่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 มองดูแล้วคนตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดามันต้องมีสักสีอะไรแน่นอนละไอพรามต์ตอนนั้นก็เลยปุับปรับอบอกว่าท่านท่านครับท่านมาจากไหนท่านก็มาจากในเมืองเออให้ท่านรอยอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาของมาให้ท่านจะด้พราม์ก็รีบไปก็รีบไปไ ป, ไปจัดอาหารอย่างดีเท่าไะดีที่สุดในยุคสมัยนั้น่ะ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 ทางลือสีได้แล้วกัมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไปเห็นพระภิกษุองค์หนึ่งคือพระปฏิเจกพุทธจ้าที่นั่งอยู่ในละแวกนั้นเน่ยใกล้ๆอยู่นั่งอยู่โคลนต้นไม้ลือสีเนี่ยก็คานเข้าไปก็ไปถวายพระปฏิเจกพระปฏิเจกได้รับเสร็จแล้วแต่พระปฏิเจกมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่เห็นใครที่จะเหนือกว่าตนเองเลยพระปฏิเจกก็ฉัน ชั้นอาหารละชั้นอาหารของเอพราม์คนนั้นอะ่ะไม่แบ่งให้ใครเพราะอาหารคนเดียวทั่นก็ชั้นลำพังแต่นี้เศรษฐีคนนี้เลยถามว่าค้องใจเอ๋ท่านผมเนี่ยผมอยากจะถามเหลือเกินอยากจะถามเพื่อประดับความรู้ว่าเนี่ยผมได้มีเจตจานงอย่างมากที่จะถวายพระ อ, องค์ท่าน พระองค์ท่านสวยพระกยาย อ, อาหารของผมอาหารของผมนี่ยสำหรับคนคนเดียวอาหารผมจัดมาอย่างดีถ้าท่านมีความล้องใจว่าอาหารของผมนี่เป็นยังไงไหมพระราชาบอกว่าใช่อาหารของคุณ เ, เรามองว่าอาหารดีเลิศแต่เราคิดว่าสำหรับเราเนี่ยเรามองเห็นอาจารย์ของเรา เ, นเหนือกว่าเพราะอาจารย์ของเราเนี่ยท่านให้ความรู้ให้ความ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 อาจารย์ครับในเมื่อพระราชามอบอาหารให้แกบท่านแล้วท่านทำไมจึงไม่ไม่ทานอาหารของพระราชาที่ที่ท่านมอบให้ท่านทำไมเอาไปให้ลือีทางปโลหิตก็บอกว่าใช่เราเป็นอาจารย์ของพระราชาก็จริงมีความรู้ในเรื่องทางโลกแต่ฤือีเนี่ยเขาอยู่ในป่านะเขาบาเพ็ญตระปะเขามีฌานสมาบัติ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 เป็นผู้รับแล้วก็เป็นแนะนําทายกผู้ให้เพราะฉนั้นทายกผู้ให้กับท้าปฏิฆาหเนี่ยเขาทะเลาะกันแต่เราในใหม่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราในลอยตัวเราอิดเป็นอิสระในการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงฉันอาหารมองไม่เห็นใครที่จะเหนือกว่านี่แหละพระพเจกพพุทธเจ้าท่านอธิบายท่าน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 เนีสำหรับการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่แหละนิทานเรื่องวาชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนพระพุทธองค์สอนให้รู้ว่าคือให้รู้ให้มองคนให้ออกอันไหนสูงอันไหนต่ำกาละเทศะบุคคลถึงจะเป็นพระราชาก็เถอะแต่ก็ยังเป็นลูกน้องของอาจารย์ถึงจะเป็นอาจารย์ก็เถอยังเป็นลูกน้องผู้ที่เหนือกว่าคือคือฤษี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 นเมื่อนั่งนานแล้วเราสู้กับเวทนาเจ็บปวดสิที่มันสั่นรึรึรึรึรึเป็นยังไงเราจะเลยรู้อันนั้นแหะคือเวทนากายนี่คือมันมีเกิดจากเวทนาใจไปรับรู้แต่ถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยจวนเจียนจะทิ้งสาดทิ้งขันยิ่งมากกว่านั้นอีกเวทนาตัวนี้เจบปวดนี่มากมายแต่เธอเอาเธอ